หากบ้านไฟไหม้ของหายถูกขโมยโดนโกงธุรกิจล้มมีอุปสรรคฐานะยากจนมาเกิดจากการเคยผิดศีลข้อสองซึ่งอาจเป็นอดีตชาติก็ควรเสริมดวงบรรเทากรรมให้ตนเองด้วยการตั้งจิตว่าต่อไปนี้จะไม่โกงไม่เอาเปรียบใครไม่ลักขโมยของคนอื่นเด็ดขาดจากนั้นให้มันบริจาคทานให้หลากหลายครบวงจรไม่ต้องทามากนะครับแต่ทาให้บ่อย ขั้นแรกควรเลือกทำในปริมาณที่สามารถสละได้โดยใจไม่ทุกข์ไม่เสียดายเมื่อทำเป็นประจำจะพัฒนาขึ้นไปเองตามลำดับสำหรับท่านที่มีปัญหานะครับตอนนี้ผมได้ตั้งกองทุนผลดีขึ้นมาซึ่งจะโอนทำบุญให้กับมู ล, ลนิธิร้อยกว่าองค์กรทั่วประเทศมีทั้งรักษาพระรักษาสัตว์มีทั้งอุปกรณ์การแพทย์มีทั้งหน่วยงานทุกด้าน ผมจัดตั้งขึ้นมาเพื่อบันเทากรรมให้ตนเองเป็นหลักนะครับเพราะมีความเชื่อว่าชาติก่อนเคยทำอะไรมาเยอะพอสมควรและหลานจะเปิดกองทุนและได้ทำบุญทุกเดือนก็พบว่าชีวิตดีขึ้นทุกอย่างราบเรือนขึ้นและกองทุนนี้ก็ยังเปิดให้คนที่มีเงินน้อยปัจจัยน้อยได้มีส่วนร่วมโอกาสโอนเข้าบัญชีเพื่อร่วมบุญในทุกเดือนด้วยนะครับ ใครที่สนใจจะบรรเทากรรมแบบทำน้อยแต่ได้ประโยชน์สูงสุดก็ลองเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ jo.cho.net นะครับคนส่วนใหญ่ไม่สามารถรู้ว่าชาติก่อนเคยโกงหรือเอาของใครมาจึงต้องสร้างจิตของผู้ให้สะสมไว้มากที่สุดช่วยเหลือคนสัตว์ในทุกกรณีเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะคนใกล้ตัวเนี่ยสำคัญมากที่สุดนะครับที่ต้องช่วยก่อนคือพ่อแม่พี่น้องเพื่อนคนข้างบ้าน เด็กหรือหมาในซอยล้วนเป็นแหล่งให้สะสมบุญได้ดีในทุกวันการให้ควรทำด้วยจิตที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนทำด้วยความที่ต้องการให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นเป็นหลักนะครับหลักธรรมชาติก็คือทุกคนจะทำดีกับคนที่ทำดีกับเขาก่อนเท่านั้นถ้าอยากให้คนอื่นทำดีกับเราก็ต้องทำดีกับเขาก่อนเสมอ เมื่อทำดีกับคนรอบข้างเป็นประจำจะเป็นที่รักของทุกคนได้ไม่ยากยกเว้นทำดีกับคนชั่วที่เขาอาจไม่เห็นคุณค่าไม่มีทางหรอกนะครับที่ทำดีกับคนชั่วเราจะได้ดีกลับมาแต่เราทำดีเราจะได้ความดีอยู่ในตัวเราอยู่ในจิตเราความดีที่เราทำไม่สูญหายไปไหนจะเสริมสร้างพลังเมตตาในจิตให้มากยิ่งขึ้นจิตที่ดีจิตของเราก็จะมีพลังที่ดี และจะดึงดูดคนดีเข้ามาแทนหรือผลักให้ย้ายไปอยู่ร่วมกับคนดีที่เหมาะสมกับเราขอแค่อดทนทำความดีให้มากพอทำดีได้แม้กับคนที่เราเกลียดหรือเคยทำร้ายเราผลของความดีที่ต้องอดทนและใช้กำลังใจสูงจะเสริมดวงเปลี่ยนทางชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้จริงมีหลักในการจัดสรรชีวิตให้เกิดความเจริญได้ง่ายขึ้นด้วยการแบ่งทรัพย์เป็น4ส่วนนะครับ 1. เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาตนเองและครอบครัว 2. เก็บออมไว้ยามฉุกเฉิน 3. เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพสําสำหรับบริจาคให้ทานบุญด้านการให้ที่สำคัญที่สุดและต้องทำให้ได้คือต้องทำกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเราก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยจัดสรรการบริจาคให้ได้หลากหลายกลุ่มบุคคลที่อยู่รอบตัวกระจายไปสู่หลายวัด หลายมูลนิธิซึ่งจะดีกว่าปักหลักทาบุญอยู่ที่เดียวซึ่งอาจพลาดเจอพระปลอมที่สร้างภาพผู้ทรงศีลได้อย่างแนบเนียนหรืออาจจะได้เจอมูลนิธิปลอมที่ไม่ได้เอาเงินของคุณไปทำจริงซึ่งผมเองก็เจอมาหลายมูลนิธิแล้วนะครับอย่าสักแต่ว่าให้แต่ควรพิจารณาว่าให้แล้วเกิดประโยชน์แค่ไหนยิ่งมีเงินน้อยยิ่งต้องรอบคอบ เงินหนึ่งอยาจูญเปล่าถ้าให้กับบางคนแต่อาจมีประโยชน์มากถ้าได้สละให้บางคนชั่วช่างดีชีช่างสงเป็นคำที่ให้รู้จักปล่อยวางอย่าตำหนิคอยจับผิดผู้อื่นแต่ไม่ใช่ให้โง่ปัญญาอ่อนทาบุญกับพระพิสดารสอนเพี้ยนผิดหลักศาสนานะครับเจ้าอาวาสบางวัดและแม่ชีบางคนเนี่ยเห็นชัดเลยครับว่าแต่งหน้าก็ยังกราบไหว้กันได้ลงคอนี่เอาแค่ศินแปดนะครับ กับกิเลสง่ายๆยังชนะไม่ได้จะมีคุณสมบัติเป็นเนื้อนาบุญมีจิตบริสุทธิ์ถึงธรรมะได้จริงเหรอือซึ่งสีนแปดมีกฎห้ามแต่งหน้าสมทานแล้วไม่ทำก็เท่ากับหลอกลวงแล้วฝากว่าอีกอย่างนะครับสำหรับการเอาเงินหยอดใส่บาตรทาบุญพระในตอนเช้าถ้าไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทาลายศาสนาพุทธ กรุณาอย่าเอาเงินใส่บาตรพระในตอนเช้าถ้าอยากทาบุญถวายอาหารก็ให้ถวายพระที่ท่านเดินบินทบาทอย่าไปสนับสนุนพระที่ยืนแช่นิ่งอยู่ตามตลาดนะครับนั่นเท่ากับเรากำลังทาบุญที่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ศาสนาดูเสียหายพระควรบินทบาทด้วยการเดินเมื่อเต็มบาตรแล้วก็กลับวัดและพระ ไม่ควรรับเงินรับทองเด็ดขาดถ้าอยากจะทำบุญให้เอาเงินไปหยอดโต้ที่วัดจะได้บุญมากกว่านะครับด้วยการที่ประชาชนชาวไทยหลายคนจํานวนมากทำแบบนี้นะครับที่เอาเงินไปหยอดใส่บาตรพระไปตักบาตรกับพระที่ยืนแช่นิ่งส่งผลให้เกิดพระปลอมจํานวนมากแม้กระทั่งล่าสุดก็จับได้นะครับว่าเป็นพระจากเมรที่เข้ามาทาธุรกิจด้านนี้โดยตรง หรือบางคนก็เป็นมิจฉาชีพที่โกนหัวแกล้งห่มเหลืองแล้วยืนรับบาทตามตลาดก็โดนจับได้เป็นคดีมาตลอดแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าคนพุทธคิดอะไรอยู่ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมไม่รู้กันจริงๆเลยหรือว่ามันไม่สมควรอย่างไรเป็นชาวพุทธก็ต้องศึกษาและช่วยกันรักษาศาสนาให้ถูกต้องด้วยนะครับนับถือศาสนาอย่าสักแต่ว่านับถือแต่ปากทาตามๆกันไป บุญไม่ได้เกิดจากการสักแต่ว่าทำทํากับพระไม่ดีทํากับพระชั่วทํากับพระปลอมก็เท่ากับเป็นการสร้างโจรให้มีกําลังในวัดและเมื่อพระปลอมพระชั่วเยอะเต็มวัดทุกวัดผลเป็นยังไงล่ะครับในที่สุดประเทศไทยก็เต็มไปด้วยพระชั่วพระปลอมอย่างนั้นเหรอและสุดท้ายศา ส, สนาก็ค่อยๆเสื่อมหายลงไปคุณจะสนับสนุนพระปลอมพระชั่วไปอีกนานแค่ไหน จะร่วมมือกันทำลายทำร้ายศาสนาไปอีกนานแค่ไหนคิดดูเอาเองนะครับจิตที่ทำด้วยใจเสียสละไม่ใช่บ้าบุญจะมีกระแสพลังเดินดูดเอารัพ์กลับเข้ามาเพื่อจะได้มีไว้ให้หรือทำประโยชน์ต่อไปได้ตามจิตที่อยากให้คนที่ทำบุญแบบถูกทางเป็นประจำสม่ำเสมอจะพบปฏิหารด้วยตนเองแทบทุกคนว่าถึงเวลาคับขันจะเอาตัวรอดได้อย่างไม่น่าเชื่อ สำหรับคนไม่ค่อยมีเงินสามารถทำบุญด้วยการให้ด้านอื่นๆได้เช่นใช้แรงช่วยงานช่วยทำความสะอาดช่วยยกของช่วยประสานงานแถมท้ายให้อีกนิดหนึ่งนะครับคนที่ชอบทำความสะอาดวัดทำความสะอาดห้องน้ำวัดทำความสะอาดพระประธานเนี่ยเป็นผลกรรมตรงที่ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะครับใครที่ผิวอักเสบบ่อยๆเป็นสิวผิวแพ้ง่าย ให้ลองไปข อ, อาตามวัดทำความสะอาดพระประธานดูนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณดังตรินแนะนำไว้นังสือเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวลองทำดูก็ไม่เสียหายนะครับผมเองก็พิสูจน์มาแล้วหลายคนมัวแต่คิดรอให้รวยก่อนแล้วค่อยบริจาคทานเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่รวยสทัทีไม่หมั่นทำบุญจะเอาบุญที่ไหนมาทำให้รวยล่ะครับทุกอย่างมันต้องควบคู่กันไป คนเราจะจบริญญาได้ก็ต้องเรียนอรุบาลมาก่อนจะทำบุญใหญ่ได้ก็ต้องหมั่นสะสมบุญทีละน้อยไปก่อนการเอาชนะความโลภและจิตที่ตรหนีได้เป็นแก่นของการทำบุญไม่ใช่จำนวนเงินมากหรือน้อยหลายคนมองข้ามผลบุญที่เกิดทันใจและเห็นทันตานั่นก็คือความสุขใจอิ่มใจที่กลับคืนทันทีที่เราสละให้ด้วยใจปรารถนาดีต่อผู้อื่น การคาดหวังให้ผลบุญตอบแทนตนได้เร็วอย่างใจมันไม่ใช่การทำบุญนะครับแต่เป็นการลงทุนหวังกำไรเมื่อมุ่งหวังแต่กำไรจากการทำบุญและจะเอาบุญตัวจริงที่ไหนไปช่วยแก้บันเทากรรมให้ตนเองวิธีทำบุญที่ครูอาจารย์แนะนำไว้สำหรับคนเงินน้อยและไม่มีเวลานะครับให้หากระปุกหนึ่งใบยอดเงินเท่าที่ทาได้ทุกวันแม้แค่วันละบาทก็ยังดี เมื่อเต็มหรือทุกสิ้นเดือนก็นำไปถวายวัดหรือบริจาคให้มว ล, ลนิธิอีกทีหรือจะเอาไปซื้อของให้พ่อแม่ก็ได้นะครับเป็นการสะสมทานบารมีในทุกวันและทำได้จริงกับทุกคนควรสอนลูกให้ทำแต่ยังเด็กจะส่งผลถึงความมั่นคงทางการเงินของลูกในอนาคตภายหน้าจะกะตัญญูเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้เป็นฐานบารมีที่ไม่ควรมองข้ามสาหรับทุกคน อยากให้ลูกกระตันยูต้องสอนลูกแต่เด็กให้ลูกสะสมบุญแต่เด็กนะครับไม่ใช่รอให้โตแล้วค่อยมาสอนที่หลังมันไม่ทันนะครับ